เขานีสละสละความเจริญทั้งโลกนี้สละความเจริญทั้งโลกหน้าเพราะนั้นเขาไม่ให้ทานเขาไม่รักษาศีลไม่ทําคุณงามความดีเกิดมาพลานบุญเก่าสัเกเลี่ยงเกิดมาเผาบุญเก่านะทำลายบุญเก่าถ้าเขาหมดบุญแล้วจะไปไหนนอเนี่ยนะมันบัณฑิตทั้งหลายเขาก็ปราลบได้แต่สลดสังเวชเนี่ยนะขอเราอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยเหมือนนถ้าสําหรับบรรพชิตที่ทุศีลชื่อชั่วทั้งหลายกิติศัพท์อันชั่ว ก็ฟุ้งขจรเนี่นะมันก็ว่าโชยกลิ่นเหม้นตลบอบอวลไปหมดว่าภิกษุชื่อโน่เนี่ยไม่สามารถจะรักษาศีลได้ไม่สามารถจะเรียนพระพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลี้ยงชีวิตด้วยอเนสนากรรมเช่นประจบคาหัตเป็นต้นเนี่ยนะก็ใช้ลาบต่อลาบหรืออ่เป็นทำหมอเป็นต้นเนี่ยนะถ้ากลายเป็นว่าไปประกอบอาชีพหมอดำรงอยู่ในอคาระวะหกพระพุทธเจ้าเขา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 สัมปรายภพต่อไปอันนี้เป็นโทษของความทุศีลข้อที่ข้อที่เท่าไหร่ข้อที่สองอ่ะนะส่วนข้อที่สามที่บอกว่าบุคคลผู้ทุศีลปราศจากศีนเข้าสู่บริษัทใดๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทกษัตริย์พรามหมณ์พฤหบดีสมณะก็เป็นผู้ไม่องอาจขวยเขินพดุสะดุ้ดงผวาว่างั้นเถอะเช่นพฤหัสก็กลัวว่าคนอื่นอาจจะรู้เรื่องกรรมของเราก็ได้ ถ้าเขารู้เรื่องของเราเนะีเขาต้องข่มเราแน่นอนเนี่ยนะเขาต้องเอาเราเนี่ยไปดูถูกดูหมิน่นดูแคลนแสดงตัวเราต่อพวกราชสกุลต่อที่ประชุมคนจํานวนมากแท้กลัวเขาจะรู้จักเราว่าเราเป็นใครนะฮะฝ่ายดีเขายังชั่วนะกลัวเขารู้จักเราว่าเรานี่ชั่วขนาดไห น, นต้นนี้นะก็เวลาเข้าสู่กลุ่มสังคมก็จะประมาทคอตกหน้าควา่ำนั่งเอาหัวแม่มือไถพื้น ถึงเป็นคนกล้าก็ไม่อาจจะพูดจาได้ปกตินี่ยโอ้โเสียงคำรามดังสนั่นไปหมดพอตัวเองไปทําผิดทําพลาดมานีเงียบเลยนะกลัวคนอื่นจะจับได้กลายแค่ว่าเป็นคนผิดปกติวิสัยไปหมดเนี่ยนะมันก็ไม่มีแต่ความสะดุ้งมีแต่ความวาดถวานอนก็ไม่ค่อยหลับเนี่ยนะเครียดก็เครียดนั่นแหละทุกขร้อนตลอดลําบากใจมากยิ่งถ้าจะต้องเข้าสู่สังคมเข้าสู่สมาคมนี่มีแต่ความหนักใจ ฝ่ายบรรปะชิตที่มีความกลัวล่ะทูศีนเะน่ยบรรปะชิตทูศีนก็กลัวว่านี่ภิกษุเป็นอันมากเขาไปชุมการบางรูปสงสัยจะรู้จักกรรมของเราแน่ถ้าเขารู้จักกรรมของเรานะเขาต้องงดอุโบสถนะเขาไม่ให้เราลงอุโบสถวยกับเขานะเขาไม่ให้เราปรวราณากับเขานะเขาจะฆ่าให้เราเคลื่อนจากเพศสมณนะจึงเข้าไปหาพันจึงเป็นคนกล้าที่ไม่อาจพูดจาได้ เพราะพระพิสูจนที่ทุ่มสินไปแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวกลัวจริงๆเลยนะกลัวเขาขับออกเนี่ยนะกลัวเขาจะรู้แล้วเขาจะขับออกเราจะาหมู่คณะเขาห้ามเราไม่ให้ลงอุโบสถ ด, ด้วยไม่ภาวณาด้วยดีไม่ดีเขาก็ไล่สึกษาลาเภอไปเลยมีแต่ความเสื่อมมีแต่ความเสียเพราะฉะนั้นบางรูปแต่บางรูปเนี่ยนะที่ทุศมสินแล้วทาตัวเป็นทำเหมือนไม่ตัวเองมีศินดีเปี้ยอันนี้เครียกว่าเลวโดยอัธยาศัยเรียกว่า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 นะนะก็บอกว่าอะไรผู้ทูถ้าสําหรับภิกษุผู้ทุตศีลล่ะก็เหมือนกับหอกร้อยเล่มเนี่ยแทงที่ศีรษะก็ร้องว่าห้ามที่ห้ามทีแล้วก็ตายไปนะบางองค์นี่ก็เป็นอย่างนั้นเลยก็มีอยู่องค์หนึ่งคืออดีตเคยเป็นนักมวยเนี่ยนะเป็นพระภิกษุบวชมาหลายสิบปีตอนหลังก็ก่อนจะตายเนี่ยนะเขาเรียกว่าทําท่าเป็นนักมวยตลอดเวลาเลยเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นตลอดในที่สุดก็จุติตายไปเนี่ยถ้าไปได้ไปไหนเนาะเนี่ยนะ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 ผู้ศีลเนี่ยนะนี้พระองค์ก็แสดงต่อไปว่าดูก่อนเครือขา บ, บดีทั้งหลายอานิสง์ของความถึงพร้อมด้วยศีลของผู้มีศีลมีห้าประการห้าประการเป็นไนดูก่อนเครือขา บ, บดีทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้ได้ประสบโภคะกองใหญ่เพราะมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอนิสง์ข้อที่หนึ่งของความถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลอันผู้มีศีลเนี่ยก็ประสบ โภคกองใหญ่ทั้งหลายก็คือมากไปด้วยโภคะทั้งหลายมากไปด้วยอะไรบ้างก็ตัวเองเป็นผู้ไม่ประมาทฐานแห่งโภกทรัพย์ก็ดีะนะก็มีแต่ความเจริญอย่างเดียวดูก่อนเครือหาบดีทั้งหลายและยังมีข้ออื่นอีกกิติศัรรรพท์อันดีงามของบุคคลผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลกระชอนไปนี้เป็นอณนนิสง์ข้อที่สองของความถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลเพราะฉะนั้นผู้มีศีลเนี่ยจะมีชื่อเสียงเป็นที่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 ไม่ขววยเขินเป็นคนที่สง่าผ่าเผยเพราะเป็นคนที่ไม่มีแผลเนี่ยนะไม่ต้องผวาไม่ต้องสะดุง้งไม่ต้องหวาดไม่ต้องระแวงอะไรทั้งนั้นอันนี้เป็นอั น, นิี้สองข้อที่สามของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลดูก่อนเครื่บบายบดีทั้งหลายและยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ไม่หลงทํากาละหมายคว่าไม่หลงตายเนี่ยนะก็คือเพราะอะไรเพราะตัวเอง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 ข้อห้าดูก่อนพิสูจทั้งหลายดูก่อนเครือข่าบารีทั้งหลายและยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลขั้นร่างกายแตกทายหลังมรณะร่างกายแตกสลายเมื่อตายกายสลายจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถึงภาชนะดินแล้วไปอยู่ภาชนะทองคําเป็นต้นนะนะถึงเสื้อผ้าคร่าคร่าทิ้งเรือค่ําคร่าหรือว่าทิ้งร่างกายที่เศร้าหมองก็ไปสู่ร่างกายที่เป็น ทองคําเป็นต้นอันนี้เป็นอ น, นิสงฆ์ข้อที่ห้าของผู้ถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลดูก่อนคริษหา บ, บดีทั้งหลายอ น, นิสงฆ์ห้าประการของความถึงพร้อมด้วยศีลของผู้มีศีลเหล่านี้แหละครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังอุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปาตลิคามให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้รื่นเริงด้วยทำมีกถาก็คือประกาศอริยสัจธรรมประกาศอ น, นิสงฆ์ของทาน จริงก็ประกาศอนิสงค์ของวิหารทานด้วยประกาศอนิสงค์ของศีลด้วยประกาศอนิสงค์ของสมถะและวิปัสสนาผ่านราตรีไปเป็นส่วนมากแล้วขอใครว่าฟังทำกันดึกดื่นมากเลยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ส่งกลับด้วยพระดำรัสว่าดูก่อนเครือขาบดีทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วแล่บัดนี้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาเห็นการละสมควรเถิดก็คือจะเห็นว่ า, าพระพิสุทั้งหลายท่านก็จะได้พักผ่อนบ้าง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 สุญยากานก็คือเข้าที่พักผ่อนนั่นเองพระองค์ก็พักผ่อนโดยการอืเจริญกรรมฐานอย่างอื่นอธิกถาอธิบายเพิ่มเติมบทว่าพระโหเดวะเนี่ยนะพระติ่งทำมิยาคาถายะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เ อ, อิบอิ่มแล้วให้เห็นแจ้งแล้วให้สมาทานแล้วให้อ่านหารแล้วทําให้เข้าถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้วแปลว่าประกาศเห็นแจ้ง ให้เห็นรู้เห็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้อริยศาสตร์เนี่ยนะก็บอกกล่าวแนะนําแต่งตั้งเปิดเผยให้เขารู้ข้อปฏิบัติเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์นั่นเองตลอดราตรีเป็นอันมากแล้วก็ส่งไปด้วยธรรมกถาที่พ้นจากบาลีอย่างอื่นเช่อนอนุโมทนากถาการถวายเรือนพักอนะไงศ์ก็แสดงอา น, นิสงส์งของการให้ที่พักเนี่ยนะเปรียบเหมือนอะไรเหมือนให้อากาศคงคาตกลงมาเหมือนคั้น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 เสห์สายายาก็คือจะได้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เพราะฉะนั้นกุศลที่อุบาสกเหล่านั้นเจริญแล้วก็จะได้มีผลมากมีอนิสงส์มากนั่นเองแล่ก็สำหรับพวกเราทั้งหลายก็ฟังทำ